วันในเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้ตรงกับวันที่สามสบอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสอง5ห้าอห้าสิบห้าเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสี่เป็นวันประชุมกันมาทุกวันพระ ตั้งแต่พวกเราสร้างวัดมาเพราะนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันร่วมไปชมกันแต่ตามไม่จริงตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองหลวงตาหรือหลวงปู่ล่า ท่านก็ไม่ได้มีไปชุมกันวันพระอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์องค์อื่นอย่างหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหรือหลวงปู่อื่นๆท่านก็ประชุมกันเกือบทุกวันพอตกตอนเย็นก็มาประชุมพร้อมกันจากนั้นก็ทําวัดจากนั้นก็ท่านก็มีอะไรท่านก็พูดจากนั้นก็พานั่งภาวนา อย่างหลวงปู่ฟันแต่หลวงตามหาบัวไม่มีหลวงปู่ล่าก็ไม่มีหลวงปู่ล่าท่านจะไม่ค่อยได้ไประชุมเพราะพระสมัยนั้นพระน้อยมากมีอยู่พระองค์สองสามองค์มีอะไรเท่ากับพูดตอนเช้าบ้างก่อนฉันยังหันบ้าง และมีอะไรท่านก่อเรียกเข้าไปพูดแนะนำอบรมสั่งสอนที่ท่านควรจะให้ได้รับปร้รับทราบ พ, พอพระ น, น้อยพอต่อมาโค้งสุดท้ายระหว่าหญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมีพระเข้าไปถึงเจ็ดสิบแปดสิบองค์ก่อนที่ท่านจะละสังขารประมาณสิบกว่าปี ตอนนี้ท่านจะอบรมไม่ใช่แปดคำสิบห้าคำส่วนแปดคำสิบห้าคำนั้นชัททายญาติโยมไปไหว้พระรักษาสินนอนวัดปฏิบัติธรรมท่านเอาท่านอบรมขึ้นห้าคำสิบเอ็ดคคณะชัททายญาติโยมขึ้นไปอบรมท่านจะเทศให้ฟัง 5ค่สิบเอ็ดค่าส่วนแปดค่ำสิบห้าค่าท่านจะอบรมตอนเช้าที่ศาลาปันห้าค่ำสิบเอ็ดค่าท่านจะอบรมที่ศาลาใหญ่กลางคืนทั้งพระทั้งรวาสญาติโยมอันนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู่ละไม่ได้อยู่องค์หลวงปูล่ละพอออกมาแล้วแต่ทราบ ว่าท่านอบรมอย่างนั้นแต่สำหรับองค์หลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อเข้ามาอยู่ใหม่ท่านจะอบรมบ่อยครั้งช่วงไหนที่ท่านว่างท่านจะบอกพระเวนสาลาเออประชุมหกโมงครึ่งหนึ่งทุม่มกระสุดแท้แต่ท่านจะสั่ง ทันจะกะเวลาให้พระมารวมกันให้ทันประมาณยี่สิบนาทีพระพร้อมแล้วเพราะว่าพระวัดป่าบ้านตาดเนื้อที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่แต่พอบอกองค์เดียวทนะ่านองที่ศาลาองค์ศาลาเข า, าไปบอกองค์อีกองคหนึ่งว่าพระภัยคาจา์สั่งประชุมกหกโมงครึ่ง พอสั่งเท่านั้นองค์นี้ก็รีบมาจัดศาลามาจัดที่นั่งจัดอาชนะของพ่อแม่กุญจาย์องค์หลวงตาก็โถนน้ําอาชนะองค์นั้นก็วิ่งไปบอกองค์หนึ่งอีกไม่ใช่วิ่งนะเดินเร็วประชุมหกโมงครึ่งองค์นั้นกไ็ไปบอกอีกองค์หนึ่งคือมันแตกเป็นหมากลุกไปเลยมันออกเป็นคนอธิดาทาง ประมาณยี่สิบนาทีพระมารวมกันทั้งหมดพร้อมกันทั้งหมดคือพระทั้งทั้งองค์ทุกองค์ต้องเตรียมพร้อมคําว่าเงืองงงงักไม่มีคําว่าจะเดินไปที่ไหนแต่เดินไปในวัดจะไปรวมเดินไปดูกิจการอะไรก็ตามตอนหัวค่ําต้องเตรียมจีวรและไฟฉายไปด้วยถ้าเผื่อเรียกไปชมุมก็จะออกมาให้ทันท่วงทีจะไม่กลับมากุฏิอีก อันนี้คือเราเตรียมพร้อมรึงขนาดนั้นแหละอยู่วัดป่าบ้านตาดแปลว่าพระทุกองต้องมาประชุมทุกองทุกครั้งแต่หลวงตามีครั้งหนึ่งท่านเชอรี่ท่านไม่ได้มาประชุมหลวงตาก็บอกว่าเราไม่ใช่ประชุมทุกวันแต่ทำไมพระเพียงประชุมอย่างนี้ก็ยังขาดได้ขาดความใส่ใจ ขาดความสนใจเราไม่ใช่ว่าประชุมทุกวีทุกวันท่านก็พูดเพียงแค่นั้นแต่ก็มันเป็นอย่างที่ขาดพลาดโอกาสพลาดโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะในเรี่ยเหลี่ยมต่างๆชั้นเชิงต่างๆแง่งมุมต่างๆที่ท่านจะได้อบพรมแนะนำสั่งสอน เพราะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวพูดอย่างงั้นได้ถ้าว่าเรียกไปชมเราก็ต้องให้ความใส่ใจให้ความสนใจเพราะอย่างอื่นเวลาอื่นเรามีมากเราทำไมจึงให้พลาดนะโอกาสที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านต้องการเพราะเราเข้ามาเพื่ออะไรเราเข้ามาเด่นเด่นด้านด้า น, านหรือเข้ามา ศึกษาธรรมะหรือเรามาอะไรมาอยู่วัดของท่านหรือมาขวางหมู่ขวางเพื่อนหรือมาอะไรถ้าเรามาไม่ตั้งใจเรามาอยู่ทำไมในเมื่อเรามะเข้ามาเราก็ต้องเอาหูเอาตาเอาใจสำเหนียกนึกคิดปฏิปทาหรือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินอย่างไร ขนาดท่านมีอายุถึงขนาดนั้นท่านขนาดลงมาแล้วท่านยังเทศให้ฟังอีกท่านยังมามีความอุตสาหมาเทศให้ฟังเราเข้ามามีแต่นั่งฟังขนาดนั้นยังขี้เกียจเชียวเหรอสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดและก็พร้อมกันถ้าองค์ไหนถ้าว่าเห็นลักษณะอย่างนั้นท่านจะไม่ให้อยู่ในวัดท่านไล่ออกทันที มาอยู่ทำไมขวางหนักแผ่นดินหนักวัดไม่ใช่ผู้มาเพื่อการศึกษาผู้ที่ศึกษามีอยู่มาไม่ใช่ว่ามาอยู่เฉยๆถ้ามามาขอนชงก็มามีแต่หนักวัดเฉยๆอันนี้มันหนักทุกสิ่งทุกอย่างหนักอยู่หนักกินหนักใช้หนักสอยหนักทุกอย่างที่ภายในวัดจะมาอยู่ทำไมอยู่ให้หนักใจ อยู่ให้หนักหนูหนักเพื่อนหนักวัดสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายได้ยินให้ฟังไปอยู่นสถฐานที่ใดให้ฟังนี่แหละผมได้ศึกษามาอย่างนั้นมาศึกษาจากอง์หลวงตาท่านเข้มงวดกวดขันจากนั้นท่านขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ทำวัดเย็นพอขึ้นมาพระสงฆ์พระมูเพื่อนนั่งเพียบหมดแล้ว บางทีคอยประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีบางทีก็ไม่ถึงพอนั่งพร้อมท่านก็ขึ้นมาขึ้นมาท่้งเสร็จแล้วก็ท่านก็แสดงธรรมเลยเทศอบรมพูดบางทีก็มากบางทีก็น้อยแต่กระโดยมากกับเป็นธรรมเทศนาที่พวกเราได้ฟังกลางคืนนั่นแหละนี่แหละที่ท่านอบรมพระ แต่ผมเข้ามาอยู่ปี 2,512 เข้าไปอยู่ยกับองค์หลวงตาแต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงครามเวียดนามสงครามที่อเมริกาสนามบินอุรานมีเครื่องบินขึ้นลง บ, บ่อยครั้งมากและก็เสียงดังมากเวลาเครื่องบินผ่านมาแต่ละครั้ง ก็ต้องหยุดพูดพอผ่านไปแล้วท่านกรรเทศแต่บางครั้งบินมาไม่รู้กีก่ครั้งสามสี่ครั้งบางทีมันบ่อยเกินเกินต้องหยุดเอาเลิกกันวันนี้ไม่ได้เรื่องเอครื่องบินมากเกินไปอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นในช่วงสองพันห้ารอยสิบสองถึงสองพันห้าร้ยสิบแปด พวกเราให้สังเกตดูว่าธรรมเทศนาของหลวงตาไม่มีในช่วงนั้นน้อยมากเพราะเหตุไรเพราะอัดไม่ได้อัดเทปไม่ได้เพราะเสียงเครื่องบินขึ้นลงเสียงดังบางทีลงเป็นสิบสิบเครื่องบินมาพร้อมกันสมัยนั้นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่อยู่ในรงนังเนี่เน่าหมดไม่มีลูก เพราะเสียงเครื่องบินมันกระเทือนกระเทือนจนไข่เน่าหมดไม่มีไก่ถึงขนาดน้าเสียงดังเพราะนั้นจึงไม่มีธรรมเทศนาอัดในเอ็มพสามะอัดเทปในช่วงนั้นในช่วงสอง0้าสิบจนถึงสอง8ห้าสิบปดและอีกอย่างหนึ่งองค์หลวงตาสุขภาพของท่านก็ ไม่ค่อยดีในช่วง 2,509 จนถึง 2,512 ในช่วงที่ผมไปอยู่เกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอทำให้ท่านเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากบางทีท่านก็หยุดพูดแต่ถึงยังไงท่านก็ยังอดุดสาหลงมาแสดงธรรมมัดพูดอบพรมให้แก่พวกเราได้ศึกษาได้ฟัง จนถึง 2,518 เครื่องบินกลับไปแล้วจึงได้อัดเท็บเริ่มอัดเทพการอัดเทพในยุคสมัยนั้นท่านก็ไม่ได้เอาไมค์เข้ามาใกล้ๆอย่างที่ผมอัดขณะนี้ท่านเอาไว้ไกลๆเพราะพระฝรังท่านปัญญาวุฒโทเป็นผู้อัดท่านเอาไว้นูน่นอยู่ข้างๆท่าน บางวันองหลวงตามไม่รู้ว่าอัดเทพไม่รู้ว่าอัดเทปท่านก็พูดธรรมะจากนั้นท่านปัญญาก็อัดการอัดต้องระมัดระวังอย่างมากสมมติว่าท่านจะเทศเพียงสามสิบนาทีเทปม้วนั้นต้องร้อยยี่สิบต้องเตรียมร้อยยี่สิบเป็นอย่างน้อยหรือว่าสี่สิบห้านาทีเป็นอย่างน้อย ถ้ามั่นใจจริงๆก็หนึ่งชั่วโมงร้อยี่สิบทแปร้อยี่สิบแต่ก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันเพราะเทปตัวเล็กๆมันหมุนร้อยยี่สิบเน่ะมันเป็ดเทปม้วนยาวกำลังไม่พอบางทีก็อืดบางทีก็ได้บางบางทีก็เสียบ้างแต่ได้เป็นส่วนมากพออาจเสร็จแล้วทันปัญญาก็มาทายใส่มว้วนเทปอีก รีบมาถ่ายในวันนั้นนี่แหละอันนี้นับว่าพวกเราท่านปัญญาเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้แต่ไม่มีใครพูดนะเรื่องนี้เพราะหลวงพ่ออยู่กับท่านมาตลอดรู้เรื่องวิธีการอัดเทพพระฝรังท่านปัญญาวุฒโธเป็นผู้อัดเทพองค์หลวงตาเพราะนั้นถือว่าท่านปัญญาเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับ พวกสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายที่พวกได้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวันนี้ที่เป็นธรรมะเด็ดๆหรือธรรมะอบรมพระโดยมากมีแต่ท่านปัญญาเท่านั้นเป็นผู้อัดหรือว่าอาวักาศของจิตอวักาศของธรรมหรือว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อมอย่างเนี้ยท่านกปฏิเทศจะแสดงธรรมโปรดคุณเผาพงา ที่ป่วยเป็นมะเร็งในอยู่ในครัวตอนนี้ก็ท่านปัญญาเป็นผู้ไปอัดทุกวันถ้าท่านวันไหนท่านไม่ได้ไปท่านก็ให้หลวงปู่ลีไปอัดหลวงปู่ลีก็อัดเทปก็อย่างว่าผู้เท่าอัดผิดผิดทุกๆบางวันก็ไม่ได้ก็มีบางทีก็เอาไปให้ท่านอัดแต่บางทีมันก็กดผิดก็มีเออ เนี่แหละอันนี้ก็จนได้เป็นหนังสือทว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อมพวกเราอ่านดูก็แล้วกันอันนี้คือท่านตรงตาเทศโปรดคุณเผ่าพงาและนอกจากนั้นก็ท่านโปรดให้เทศให้อบรรมพระสงฆ์มีลากมากลากหลายมีแต่ธรรมะขั้นเด็ดเผ็ดร้อนมีแต่หนทางที่จะนำให้พวกเรา ปฏิบัติแล้วพ้นทุกออกจากกิเลสโลภโกรดหลงถ้าเกี่ยวกับวินัยก็มีเกี่ยวกับกฎระเบียบก็มีพอท่านเทศจบแล้วบางทีท่านก็ว่าไม่ต้องอัดมีการอัดเทปไหมเนี่ยไม่ต้องอัดคำว่าไม่ต้องอัดคำนี้ท่านคงมี เรื่องที่จะพูดหรือว่าเรื่องที่จะอัดประตูตีแมวพูดง่ายๆค่ว่าด่าพระเข็นพระที่อยู่ในวัดมีลักษณะยังไงโดยมากท่านาจะพูดอย่างเผ็ดร้อนอในช่วงใหม่ๆท่านจะไม่ให้ใหอัดพอมาช่วงหลงังๆเนี่ย ท่านก็ปล่อยให้อัดเพราะนั้นบางการบางเรื่องช่วงปียี่สิบกว่าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงธรรมเทศนาลงตาดุด่าพระแบบเผ็ดร้อนแต่ก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยท่านไม่ได้ดา่าให้เสียเสียให้หายท่านบอกว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ย เราจะมาทําเสาบ้านเสาเรือนถ้ามันคดมันโคง้งเราก็ต้องใช้ขวานถากในเมื่อมันละเอียดเข้ามาแล้วใช้กบถ้าละเอียดเข้ามาแล้วใช้กระดาษทรายขัดใช้เครื่องขัดขัดแล้วก็ลงแร็คในเมื่อลงแร็คแล้วจะเอาขวานถากได้ยังไง พอมันละเอียดแล้วที่เราดูดาว่ากล่าวเราไม่ได้ดูดาว่ากล่าวพระนะถ้าองค์ไหนดีเย่แล้วจะดูดาทำไมจะว่ากล่าวทำไมเราดูดาว่ากล่าวกิเลสกิเลสความชั่วของพระถ้าเราไม่ดูดาว่ากล่าวถ้าเราไม่เตือนจะดีได้อย่างไรเราดูดาว่ากล่าวเราอยากจะให้พระดี อยากจะให้พระอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเราไม่อยากจะให้พระออกนอกรูกนอกทางที่มาอยู่กับวัดเราถ้าอยู่กับวัดเราเนี่ยทำเชิดเชิดซาซ้าทานั้นไม่ได้เราจะต้องไล่หนีจากวัดหนักวัดแต่ถ้าว่าเราออกไปนอกวัดเราใส่แว่นตาดำเราจะมองไม่เห็นพระจะทำยังไงเรามองไม่เห็น เพราะไม่ใช่หน้าที่เราเรารับผิดชอบเว้นเสียแต่เข้ามาใกล้ที่พอเราจะดุได้เราก็ดุที่เป็นเครือข่ายและเป็นสิทธิ์วัดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็จะบอกกล่าวเราจะดุบ้างแต่อยู่ในวัดของเราไม่ได้อันนี้คือหลวงตามหาบัวที่ท่านอบรมสอน จะเป็นพระองค์ใดก็ตามท่านจะบอกโดยเด็ดโดยเด็ดขาดเลยจะเป็นพระองค์ใดก็ตามมาอยู่ในวัดเราถ้าทะเลาะวอกแว้งกันมีการชกต่อยตีกันเราจะไล่หนีออกจากวัดจะไม่ให้อยู่วัดนี้ไม่ใช่วัดเลียกหมามีตมาทรนอากา ก, กันอันนี้เป็นพระ พระมีอะไรต้องมีหลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองถ้าว่าพระยังระงับกิเลสโทสะยังไม่ออกไม่ได้ขนาดโทสะหยาบๆก็ยังไม่ได้แลิธรรมะข้ออื่นๆจะทำได้อย่างไรเพราะนั้นแสดงว่าไม่ไม่ใช่ผู้ตั้งใจ ไม่ใช่ผู้ใส่ใจเราจะไล่หนีออกจากวัดถ้ามีอะไรเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นหนีทั้งคู่อีกต่างหากเว้นเสียแต่ว่าองค์หนึ่งไม่ได้ผิดแต่องค์หนึ่งมาต่อยมาตีองค์นั้นไม่สู้องค์ที่ไม่สู้องค์นั้นอยู่เพราะไม่ได้ทำอะไรแต่องค์ที่ไปทำให้เขาหนีแต่องค์ที่ถูกตีนะั้นก็เถอะก็ต้องถูกสอบ ว่าทำไมองค์นั้นจึงมาทุบตีท่านท่านปะยุแย่ไปว่าอะไรให้เขาอันนี้ท่านก็ถามอีกไม่ใช่จะเฉยเฉย เ, เมื่อยไม่ได้นะถามถ้าถามไม่มีเหตุมีผลเกิดตัวเองพระในวัดว่า น, นี่องค์นี่แหละชอบไปกอ่อกวนคนอื่นเขาไม่อยู่ในกฎระเบียบชอบไปแย่เขาเล่นชอบไปพูดให้เขา ทำให้หมูหนักใจท่านก็ไล่หนีอีกเหมือนกันหลวงตาเนี่ยดูดูแลท่านปกครองพระเด็ดขาดที่หลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นดูดูแล้วน่าเคารพหน้านับถือหน้าเลื่อมใสแต่ก่อนมีมีเมื่อไปอยู่มีพระตุนหลวงพ่อองค์หนึ่งแต่หมูเขาําคาญเพราะประสาทประสาทแต่หมูก็ไม่รู้จะทํำยังไง แต่บางครั้งเราก็พระบางองค์เขาก็บอกรงปู่เป็นมีกูจานคูจานทำไมพระองค์เนี้ยกูจานไปกล่าบเปลี่ยนพ่อแม่กูจานโดยนะากูจานกล่าเปลี่ยนท่านคงไม่ให้อยู่ละดูดูแล้วมันลาคาญมันทำให้หมูหัวเสียอยู่เรื่อยยุ่อย่างนั้นแยงอย่างนี้ดูดูแล้วมันจะไงยังไง หลวงปู่บนมีท่านบอกว่ายังไงท่านบอกโอ้อย่าอย่าอย่าให้ผมได้พูดถ้าว่าไปบอกกราบเรียนท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าเผื่อท่านหนีแหละให้ท่านเหตเองเถิดถ้าผมไปกราบเรียนเกิดพบใดชาติใดเ อ, อเดี๋ยวก็จะโดนไล่เพราะได้ไปกราบเรียนให้ไล่พระออกจากวัด เกิดพบไรชาติได้เดี๋ยวจะโดนไล่จะตลอดเดี๋ยวปราบกรรมตอนนั้นจะตามสนองผมไม่เอาหรอกหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อฟังเออท่านคิดไกลจากนั้นมาพระองค์นั้นก็ไม่นานไม่มีองค์ไหนที่จะไปบอกท่านแต่ท่านก็มันเข้าคงจะเข้าข่ายหรือว่าเข้าในแนวความรู้ขององค์หลวงตาท่านเรียกเข้ามาเลย ไม่มีใครฟ้องเราดูๆแล้ ว, ลวไม่มีใครฟ้องแน่ท่านบอกเนี่ยท่านองค์เนี้ยท่านจะหนีหรือไม่หนีฮะจะหนีหรือไม่หนีออกจากวัดหรือไม่ออกถ้าไม่ออกจากวัดไม่ให้ลงอโบสถ์สดไปเนี่นี่กาลังจะลงอโบสถเนี่ยจะหนีไหมองค์นั้นกระหมปปูปูปั๊บๆโพนิชูก็ต้องยอมหนียอมครับจะไปออกเอา ลงอโบสถพอลงอโบโสถเสร็จแล้ววันสองวันยังไม่หนีอีกไล่อีกฮะทำไมบอกว่าจะบอกว่าจะหนีในวันนั้นยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ยหนีนะผมดูท่านมาตลอดถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระที่ดีผมจะกราบท่าน พนอ่ะหลวงตาท่าทายถึงขนาดนั้นถ้าท่านได้มองชัดๆแล้ะผมจะกราบท่านถ้าท่านเป็นสำเร็จมรรคสำเร็จผลนี่ผมรู้แล้วไม่ได้เลือกหนีผลีนสุดพระองค์นั้นก็ได้หนีออกไปจริงๆก็ได้ลาสิกขาไปอยู่ที่ไหนไม่ได้นี่ยแหละหลวงตาท่านพูดอะไระท่านแม่น เด็ดเดี่ยวท่านบอกว่าถึงจะโง่อย่างไงก็ให้โง่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถ้าโง่ออกนอกลูกนอกทางรับไม่ได้ถ้าโง่อยังไงก็ให้โง่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถึงจะฉลาดยังไงก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้เป็นพระที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสในหลักพระธรรมวินยัย ถึงจะฉลาดก็อย่าไปฉลาดแวกแนวออกนอกรูนอกทางอันนั้นรับไม่ได้ถ้าฉลาดก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยนั่นแหละเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่าเพราะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนี่แหละหลวงตาท่านอ บ, บรมพระท่านสอนพระเพราะนั้นพระนายกของหลวงพ่อนะถึงจะมีน้อย แต่ก็รู้สึกว่าท่านติ้วเขคบดุลงตากลัวกระทั่งตหลอดมาคำว่าคุ้นเชื่องกับลงตาน่ะไม่มีพอเข้าไปเห็นลงตาแล้วก็มองมองไปศบสายตาเลยเหมือนกันเข้าไปนั่นแหละเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการฟัง แ ต, แต่พอเราเข้าไปท่านก็เหมือนกับลูกๆเข้าไปหาท่านมีอะไรท่านก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมีอะไรขาดเหลือขาดตกไม่มีอะไรจะมีที่จะมีน้ําใจยิ่งกว่าองค์หลวงตาท่านสงเคครูบาอาจารย์องค์อื่นๆถึงจะพูดหวานขนาดไหนก็แต่แต่องค์หลวงตาถึงจะดุด่าว่ากล่าวยังไงแต่น้ําใจของหลวงตาเนี่ยเหลือขนา ที่ให้แก่ลูกศิษยานุศิษย์ขาดเหลือขาดตกเจ็บไข้ได้ป่วยท่านดูแลอย่างถึงอกถึงใจจริงๆอย่างเมื่อต่อมาเมื่อท่านมีอายุขึ้นมาหลวงพ่อเขาไปกราบท่านทุกครั้งพอเขาไปกราบท่านเขาไปกราบองค์ท่านแล้วก็จะมีอะไรก็นาถวายท่านเพื่อท่านได้ใช้ปัจจัยที่เกิดภายในวัด เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ทำอย่างอื่นเรามอบถวายท่านเป็นส่วนมากเพื่อให้ท่านได้ใช้ให้ท่านได้สงเคราะห์อนุเคราะห์วัดวาศาสนาสงเคราะห์โลกเวลาเราเข้าไปท่านก็สอนลักษณะแนะนำสั่งสอนแบบสอนมวยสอนในการปกครองสอนในเรื่องที่จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สมวัท่านว่านเนี่ย เรานะไปเห็นพระไม่ลงอุโบสถเรารับไม่ได้นะทั้งที่วันอุโบสถมีพระอยู่ในวัดแต่ไม่ลงอุโบสถลงอุโบสถย่อทําไม่ขี้เกียจถึงขนาดนั้นเรารับไม่ได้นะขนาดเล่าขนาดนี้แหละทําไมทําอย่างนั้น มันเหยียบย่ำหลักพระธรรมวินัยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ทำไมท่านจึงมาพูดให้เราฟังองค์อื่นเขาไม่ได้ยินหรอกแต่ทำไมท่านมาพูดนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าหลวงตาสอนมวยต่อไปภายภาคนาะนะอินนะท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามีลูกศิษย์ลูกหามีลูกน้องนะ ท่านอย่าแหวกแนวนะอย่าออกนอกลู่นอกทางนะนั่นมีอยู่ในนั้นเสร็จการสงเคราะห์อนุเคราะห์ก็เหมือนกัน เ, เราไปเที่ยวทุดรงไปเขาเอาน้ำเพลก؛มาถวายทั้งที่มันจะทั่วถึงกันองค์นั้นชั้นองค์เดียวทั้งที่อยู่สามองด้วยกัน เราจําไม่ลืมมาทั้งทุกวันนี้ท่นานอายุจนเก้าสิบกว่าปียังจําไม่ลืมแต่สมัยเป็นพระหนุ่มไปด้วยไปวิเวกด้วยกันอันนี้ท่านก็สอนอีกเหมือนกันการอยู่ด้วยกันต้องดูให้ทั่วถึงน ะ, ะการอยู่การฉันถ้ามันมีมากพอที่จะทั่วถึงให้ทั่วถึงกันอย่าให้ขาดตุบกพ้องในการอยู่ด้วยกัน อันนี้ก็คือหลวงตาท่านสอนลักษณะสอนมวยมีเยอะแยะเลยหลวงพ่อที่ดีเข้าไปกราบท่านที่ท่านให้แนวความคิดนี่แหละแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อจึงพูดขึ้นมาบางองค์ก็มาถามว่าลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เราจะดำเนินการยังไงหลวงพ่อก็บอกว่า ทุกองก็ได้ศึกษามาจากองค์หลวงตาองค์หลวงตาเน้แนะนำสั่งสอนหมดเราก็ได้เห็นสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มเราก็ได้เห็นเมื่อท่านสูงอายุเราก็ได้เห็นแล้วก็แนวปฏิปทาในเทปในหนังสือท่านเขียนเอาไว้เราก็ได้อ่านได้ศึกษาเพราะนั่นเป็นที่รู้กันเป็นที่เข้าใจกัน แนวปฏิปทาขององค์หลวงตาที่พาทุกศิษย์ลูกหาดำเนินมาอย่างไรแต่พอมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายใครจะทำยังไงก็รู้แก่ใจว่าอันนี้คือแนวปฏิปทาของท่านหรือไม่แล้วจะให้พวกเราบอกกล่าวกันเดี๋ยวก็จะทะเลาะกบะแว้งกันหาว่าดูถูกเหยียดหยามกันอันนี้ เรารู้แก่ใจอันไหนควรมิควรอย่างไรปฏิปทาของท่านเป็นอย่างไรสมัยเมื่อท่านหนุ่มท่านทำตนอย่างไรเมื่อท่านอายุมากแล้วเราจะยึดปฏิปทาเมื่อท่านอายุมากก็ไม่น่าจะถูกต้องเราจะต้องยึดปฏิปทาสมัยเมื่อท่านยังพาปฏิบัติอยู่ถ้าเราเท่าแก่เหมือนท่านก็ไม่ว่ากันเหมือนทำอย่างท่านก็ถูกละ แต่เมื่อเราเป็นพระหนุ่มพระน้อยอยู่เรามายึดเอาช่วงที่ท่านอายุมากไม่ยึดปฏิปทานในขณะที่ท่านมีอายุน้อยอายุห้าสิบหกสิบเจดสิบนี่ยท่านพาดำเนินอย่างไรแปดสิบเนี่ยท่านยังพาดำเนินอยู่นะแปดสิบนะพอเก้าสิบก็มาเนี่ยเดินบิดท้าบาทไม่บ่อยแล้วเพราะจัทธายาตโรโยมมาใส่บาทมากท่านก็บอก เอออินเราบินเราไม่ได้บินทบาทนะเดี๋ยวนี้นะเรามาพิจารณาบวกลบคูณหารดูแล้วการไปบินทบาทหรือไม่ไปอันไหนมีประโยชน์กว่ากันเราได้คิดแต่ก่อนเราจึงเราเห็นว่าถ้าเราไปบินทบาทเวลาเราไปบินทบาทญาติโยมเขาก็ใส่อาหารเข้าไปบางทีใส่น้ําเป็นแผลใส่นมเป็นแผล ของหนักๆเขาใส่ไปในบาทของเราคนที่มารับก็ไม่ทันาบางทีแล้วก็เอียงไปเราเห็นว่าถ้าเราบินทบาทอย่างนั้นเราคงไม่ไหวมันจะเป็นลมเอาเพราะนั้นเราจึงไม่บินทบาทตอนเช้ามาออกจากกุฏิเราก็ไปเดินจงกรมก็ให้หมู่เพื่อนหมู่พระไปบินทบาทแทน พอบินทบาทกลับมาแล้วเราจึงลงไปบินลงไปฉันเพราะถ้าเราไปบินทบาทคนใส่บาทมากบางที่ใส่ของหนักๆเรารับไม่ไหวเราจะเป็นลมเพราะนั้นถ้าเป็นลมในอย่างนั้นในที่เช่นนั้นต่อผู้คนมากอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นผลดีเพราะนั้นเราจึงไม่บินทบาท เราทำอะไรมีเหตุมีผลนะอันนี้ท่านก็พูดให้หลวงพ่อฟังเหมือนกันช่วงหลังหลังมันก็มีเหตุผลของท่านเพราะนั้นท่านจึงเดินยมกลมเสร็จแล้วท่านก็มาบินทบาทมาฉันไม่ใช่บินท่าบาทแต่มาฉันที่ศาลามีอะไรต้องเทศอบรมแต่ในการอบรมของท่านสมัยก่อนท่านจะเน้น อบรมพระสมัยหลวงพ่ออยู่ท่านจะอบรมพระกลางคืนหรืออบรมพระตอนเช้าจะไม่ค่อยพูดมากเพราะท่านเหนื่อยเกลียดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออย่างที่ว่าก่อนที่จะพูดก็ต้องฉันอะไรของหวานเข้าไปซะก่อนตอนเช้าจากนั้นท่านจึงพูดพอต่อมาเนี่ยท่านจะห่างห่างอบรมพระ ท่านก็บอกว่าอบรมพระในมากแล้วในเอ็มพสามในเทปเพราะว่าเราก็ได้ฟังเทปของเราทุกคืนท่านปัญญาอาจไปให้เป็นตรับตรับเราฟังดูแล้วเราไม่ใช่ฟังเทศเรานะเราฟังทำคำสอนของพระพุทธเจา้าเราฟังดูแล้วมีหลักเหตุผลอยู่ในนั้นเสร็จฟังแล้วก็ยังซึ้งใจเออเพอเพอยังชมตัวเองว่าพูดได้อย่างไร ท่านวาเรายัางฟังนะเพราะฉะนั้นการที่อบรมพระเนี่ยน่าจะเพียงพ อ, อ, อจากนั้นท่านอบรมโยมยตอนเช้าท่านอบรมโยมเป็นส่วนมากให้พวกเราสังเกตดูตั้งแต่ปีสี่ห้าถอยหลังขึ้นมาเนี่ยท่านอบรมพระจากนั้นปีสี่สิบห้าขึ้นไป อ, อ, อบรมท่านอบรมโยมเสียมากกว่า สองพันห้าร้อยสี่สิบอ็ดสี่สิบสองน่ท่านอบรมพระจากนั้นก็มีแต่อบยุรมโยมเป็นส่วนมากนี่แหละให้พวกเราสังเกตดูที่ดวงตาอบรมคณะสัทธาญาติโยมไม่ใช่สี่ห้านะปีสามห้าปีสามห้าปีจากนั้นไปก็ป ล, ปลายประไปปีสี่สองก็มีอยู่บ้าง ไม่ไม่เน้นหนักเหมือนตะก่อนตะกอนเนี่ยอบรมพระสมัยหลวงพ่อเข้าไปนี่ถึงจะมีเครื่องบินมาก็เถอะบางทีก็หกวันบ้างสี่วันบ้างแต่ไม่เกินเจ็ดวันท่านจะอบรมไม่เกินเจ็ดวันลงประชุมที่ศาลาพอขึ้นไปประเทศเท่ๆจบแล้วก็เลิกกันจากนั้นก็มีอะไรอบรมมีเรื่องอะไรก่อน บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพระในวัดให้เป็นที่เข้าใจในกฎระเบียบบางทีกระดุด่าว่ากล่าวคีอองค์ท่านเราเห็นอันไหนที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรท่านก็บอกนี่แหละอันนี้คือองค์หลวงตาแต่ท่านก็ไม่เน้นเน้นหนักในเรื่องการก่อสร้าง แต่การก่อสร้างก็มีแต่ท่านก็กดุด่าว่ากล่าวการก่อสร้างแต่ท่านก็บอกกุฏิสร้างหลายทั้งปวงท่านเออคนนั้นคนนี้เขาถวายนะสร้างกุฏินะออท่านก็ไม่ได้บอกว่าขนาดไหนแต่เราพวกเราเนะี่ยเป็นคนคิดคำนวณเหมาะสมว่าควรจะทำอย่างไรเราก็ทําสร้างเองเ อ, อ, อย่างนี้อย่างที่พวกเราสร้างเนะี่ย หลวงพ่อเนี่ยจึงถ้าจะว่าไปแล้วก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างในที่วัดป่าบ้านตาดเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนของหลวงปู่ล่ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคำว่าหัวในการก่อสร้างไม่มีก็ม า, าเรียนรู้อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นส่วนส่วนใหญ่แต่ก็เรียนรู้จากองค์หลวงตาหลวงปู่ล่าบ้างมาอยู่บ้านตาเนี่ยก็ได้ทําหมดทุกอย่างคือเแปลว่าเป็น แม่บ้านถึงจะเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็เถอะรับผิดชอบพอจากนั้นมาก็เด็กกาปลาท่านออกมาปีสองห้าอายุพรรษาก็เพียงสามสิบกว่าอายุสามสิบกว่าที่ออกมาเนี่แหละมาอยู่ที่วัดปา่านาคำน้อยแต่คิดว่าพอการศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆพอ ศึกษากับองค์หลวงตาน่ยเพียงพอแล้วเพราะได้ทุกอย่างนอกจากเราเท่านั้นเองทีเนี่เราจะเดินยังไงแต่การศึกษาการได้ยินได้ฟังนั้นพอแต่การดําเนินของเรานั้นเราจะเดินอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของเราล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ไปจําำรรษากับครูบาอาจารย์องค์อื่นแล้วก็ไม่ได้ไปกลับไปจําำรรษาที่องค์หลวงปู่ล่าที่เป็นครูบาอาจารย์ คงแรกเพราะท่านก็มีทุกสิทูกหา ม, มากขึ้นมาเรื่อยๆมีแต่ไปกราบเยี่ยมคาระวะท่านเป็นครั้งคราวปีหนึ่งก็หลายครั้งกราบหลวงปู่จามกราบหลวงปู่ล่าเยี่ยมคุณแม่ชีแก้วโยมพ่อโยมแม่ก็ไปทีเดียวก็ไปหลายๆหลายๆแห่งจากนั้นก็อยู่ที่นี่แต่อยู่ที่นี่ก็เถอะ เราก็ฟังจากองค์หลวงตาท่านก็นไม่ได้เน้นหนักในเรื่องการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนงในวัดของเราถึงจะทําขึ้นมาเราก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันคือไม่ให้หรูหราโอ้อาจนเกินไปเหมือนกับรังต่อรังแตนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าหาว่ามีความจําเป็นแล้วก็ต้องขยับตรงนั้นบงังขยับตรงนี้บงังเอเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ผู้ที่เขามาก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่าให้แออัดจะจะให้จนไม่มีที่จะอยู่ลำบากจนเกินไปพูดง่ายๆอย่าให้ลาบากจนเกินไปแต่ก็อย่าให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวอย่างที่เขาพูดกันเพราะเรามาออกมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเคยพูดว่าผู้ใดก็ตาม มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อต้องคิดถึงหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆหลวงพ่อกวาดใบไม้ อ, อ, อยู่นะนั่นแหละแถวข้างโรงครัวนะ่ะต้นไม้ต้องต้นนั้นนะ่ะต้นสะท้อนนะ่ะกวาดเสร็จแล้วก็เอาเสือปูแล้วกับปักกดอยู่ทั้งเกือบสองอาทิตย์ญาติโยมเขาจึงได้ตกลงกันซื้อที่ ถวายหลวงพ่อเป็นเบื้องแรกประมาณสามสิบผ้าไร่ประมาณเงินห้าพันบาทสมัยนั้นชาวบ้านเขาก็มีน้ําใจอย่างสุดๆอยากให้หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเออเอาอยู่ดูซิจากทางกัจจมพูชาโโยมาเขาก็คนนั้นมาคนนี้มาจากทางนั่นแ่ะแต่ทางมันเป็นทางดินแดงนั่ม嘛เดินเข้ามาเป็นส่วนมากเข้ามาแบบยากลําบากมากแต่พูกนั้นก็มาทํา ไว้ปัจจัยชาวบ้านเขาก็ขายที่ดินไล่ละห้าสิบบาทบ้างร้อยบาทบ้างสมัยนั้นเราซื้อสิทธิ์ของเขาขายายออกไปทีละน้อยละน้อยนะจึงเป็นวัดที่กว้างขวางอย่างทุกพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่เราไม่ใช่ว่าเงินถงเงินถังล่ารวยแล้วมาสร้างไม่ใช่เรามาอยู่แบบแบบปลวกแบบมดขนก้อนดินขึ้นมาแต่ละก้อนละก้อน เพื่อให้เป็นจอมปลวกนี้ก็เหมือนกันนะั่นะการสร้างวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในสร้างวัดในการสร้างวัตถุภายนอกไม่ได้คิดว่าจะแข่งวัดไหนทั้งหมดเพียงแต่ให้มีอยู่แต่เรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นหนักให้หมู่พวกเพื่อนพระลูกพระหลานทุกองค์ที่เขามาศึกษาให้ตั้งใจภาวนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรื่องภายนอกเราสะแสวงหาได้เราอยู่ภายนอกอยู่กินยังไงใช้ยังไงหลูหลาโออาอย่างไรเราสะแสวงหาได้แต่มาบัดนี้เรามาฝึกฝนมาทรมานตนมาเพื่อบำเพ็ญตามแนวเรียะประเพณีพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราท่านเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบินละพั์ มีความสุขขนาดไหนสำรับกับข้าวช้อนเงินช้อนทองภาชนะเงินทองทั้งนั้นที่มารองรับที่พาสวยแต่พระองค์หนีออกบวชไปอยู่ในป่ารงพงไพที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีไปอยู่ตามลำพังอยู่ในเขตแขวงกุงราชาคือ อยู่แบบเปล่าเปี่ยวเดียวดายมีบาดไปหนึ่งเป็นบริขารไปบินถบาดมาฉันเหมือนกับนักบวชสมัยนั้นมีเยอะแยะนักบวชยุคนี้สมัยนี้ก็มีเยอะแย ะ, ยย เ, เ, ย ะ, แยะเหมือนกันที่อินเดียเระคนขอทานอันนี้พระพุทธเจ้าของเราคนนะั้นในคนหนึ่ง เป็นผู้ขอทานไปบิณฑบาตแต่ในใจของพระองค์หรือในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าท่านพระองค์พระพุทธเจ้าศิทธาเนี่คิดอย่างไรท่านมีความมุ่ง ม, มั่นมีความตั้งใจอย่างเหลือมนุษย์ทั้งหลายที่จะต้องคิดถึงจะลำบากยังไงพระองค์ไม่ได้ย้อท้อในการเป็นอยู่ มีแต่ความพยายามจะทำยังไงจึงจะผันดูใจดูกายดูใจของพระ อ, องค์ให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดพอเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดถ้าอยู่อย่างนี้ก็คงจะคอยวันตายมีไหมหนทางที่ไม่ตายอันนี้ก็พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญมา สีอสงไขยกำไรแสนมหากัป บ, บำเพ็ญมาเพื่อจะรือ้อสรรพสัตว์ออกจากโลกเพราะนั้นท่านจึงมีความรู้มีความสามารถเรียกว่ามีส่วนหนึ่งอยู่ในพระไทยของพระ อ, องค์คือบา ร, รมีบุญบา ร, รมีสติปัญญาบารมีที่จะเป็นเครื่องเหนือกว่า แนวความคิดของมนุษย์ทั้งหลายนี่พระองค์ไปอยู่ในปา่าทีแรกก็ค้นคว้าศึกษาเรื่องทรมานกายอดภักยาหารถึงสี่สิบ้าวันทานอาหารแต่ละน้อยสรุปแล้วก็คือทรมานอัตกิลมัฏฐาทรมานกายให้ละบากเพื่อจะให้รู้แจ้งเห็นจริง แต่พอทรมานไปแล้วไม่ใช่หนทางการมาฉันมากก็ดูอีกก็ไม่ใช่หนทางอีกเป็นกามสุขันลิกาและมัชชิมาปฏิปทานี่ทำอย่างไรมัชชิมาก็คือเดินสายกลางทานพอประมาณพักพรนพอประมาณและดูใจดูนามธรรมคือดูใจใตัวนึกคิดนั่นนะตัวนึกคิด ทีแรกมีแต่ให้ทรมานกายว่าจะเป็นยังไงแต่ผลที่สุดมาดูใจ ต, ตัวผู้รู้คือนามัท ร, ริ์จึงเห็นตัวการใหญ่คือตัวนี้เองโอ้เรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดท่านจึงให้คําตัดเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ จากนั้นพระองค์ก็เน้นเรื่องของใจดูใจดูกายเจร็จแล้วก็ดูใจผลีนสุดนั่นแหละใช้สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมรรคแปดสัมา 8, สมาทิฏฐิถึงสมาสัมมาสมาธิเข้ามากันกลองใจ ในสุดท่านก็ได้สำเร็จตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วพระองค์สำเร็จนั้นใจของพระองค์ได้สำเร็จในเมื่อใจของพระองค์ได้สำเร็จกายของพระองค์ก็เป็นกายของพระพุทธเจ้าแต่ตามให้จริงใจของพระองค์ได้เป็น เป็นใจของพระอนุตรสัมมาสัมปวิทยารู้แจ้งเห็นจริงใจเขาพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงก่อแนอแล้วก็กายก็เป็นกายของพระพุทธเจา้าของใช้ก็คือของใช้พระพุทธเจา้าวัดวาศาสนาเป็นของพระพุทธเจา้าลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าบริษัทบริวารเป็นบริวารพระพุทธเจา้าเป็นยุค ข, ของพระพุทธเจา้านี่แหละสรุปแล้วก็คือ ใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามมานี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านทำอย่างไรที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวว่าให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้ยึดให้แน่นให้ยึดให้มั่นคงเดินไปที่ไหนให้มีสติสัมปชัญญะ เวลาจะนั่งให้มีใจมีสติอยู่ตลอดเวลาเดินโยกมให้มีสติเรื่องเรื่องของทางโลกทิ้งไว้ก่อนเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องพ่อแม่พี่น้องทิ้งไว้ก่อนเรื่องใครข้าตามนอกจากตัวของเราเราทิ้งออกไปก่อนให้ดูตัวของเราซะก่อนในช่วงนี้ให้ดูให้เข้มงวดกดขันให้มีสติกับตัวเองอยู่ตลอด ดูใจตลอดดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจให้ดูสองอย่างให้มีสติอยู่กับใจใจเรานึกคิดเรื่องอะไรหนักขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้จากนั้นไยพิจารณาถึงกายดูกายการดูกายไม่เหมือนหมอดูนะพอกคณะแพทย์ดูน่ยดูประวัตผมมีความสําคัญอย่างไร ผมมันใช้เชียวอะไรมันดูดขึ้นมาอย่างไงมันจึงเป็นเส้นผมแต่ร่างกายมีความจําเป็นอย่างไรฟันออกมาได้อย่างไงจะทำอย่างไงผิวหนังมันมีเชียวอย่างไรกระดูกทําไมจึงงอกมันมีความจําเป็นอย่างไรตับไตลำไส้ทุกอย่างอวัยวะเขามีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรมีความจําเป็นอย่างไร อันนี้คือเราศึกษาศึกษาเรื่องของกายแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าในท่านบอกร่างกายเป็นของไม่เที่ยงอ่ารวบเลยถึงยังไงยังไงมันก็อยู่ในสภาพนี้แหละอ่มันก็ต้องแก่ไปเหมือนกับต้นไม้อต้นไม้มันก็ต้องมีงอกมีเกยขึ้นไปผลที่สุดนะมันก็ต้องขยายผลมีเม็ดมีผลออกไป พอในสก็ถึงจุดจบคนมันต้นไม้เข้าแก่ชราแต่ก็ยืนกว่ามนุษย์แต่มนุษย์ของเราในขณะนี้ร่างกายสังขารในถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็ไม่ถึงร้อยปีพันปีนะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันเพราะนั้นอย่าลุ่มหลงโมเมานะใจนะในท่านให้ดูใจเท่านะี้กายกับใจเท่านะี้นามธรรมากับรูปประธรรมรูปมัธยธรรมกับนามธรรมา นี่แหะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาศึกษาเขาเนี่ยนะพาลูกพาหลานทั้งหลายให้ศึกษาเรื่องของใจให้ภาวนาทําใจให้สงบกําหนดดูใจร่างกายเนี่ยถึงจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันขนาดไหนทะนุถนอมขนาดไหนก็อยู่ไม่นานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่มีใครประกันว่าจะอายุเจ็ดสิบปดสิบร้อยปี สี่0บห้าสิบปีตายก็เยอะแยะไปบางคนก็ตกรถรถความรถชนอะไรพร้อมที่จะตายได้ทุกโอกาสได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาทั้งทีชีวิตเราเหมือนกับน้ำค้างบนใบบัวไม่รู้ว่าจะกลิ้งตกลงวันไหนชีวิตของเรานะการพูดการ เราสมุดในยากถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาให้พวกลกูกหลานได้ศึกษาเกี่ยวกับปฏิปทาและว่าแนวทางขององค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนหลวงพ่ออย่างไรหลวงพ่อถ่ายทอดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเพื่อเป็นแนว แ, นวแห่งการศึกษานะถอาตอนน่อไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ